าพระธรรมตามพระไตรปิฎกชุดผัดฐานวันเสาร์ที่เจ็ดเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสอง2นห้าสี่สิบสองณวัดพันเตาโดยสระอาจารย์สมบัตินันทโก ญาณเราเดินเลลือไปที่จักรคูวิญญาณสงเคราะห์จักรคูวิญญาณโดยปัจจัยโดยนิยต์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการที่จะไปพิจารณาธรรมะหมวดอื่นๆซึ่งในการเรียนปัจฐานของเรานั้นมุ่งที่จะให้สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องปัจจัยมาสงเคราะห์มาใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยเป็นยาตะปริญญาซึ่ง เป็นธรรมะหมวดที่เราจะต้องพิจารณาเรียนรู้อยู่แล้วถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่เรียนรู้ไม่วิเคราะห์ลักษณะนี้พระองแสดงว่าเป็นอวิชชาเพราะว่าอาวิชชานั้นคือความไม่รู้ในในทุกขสัจนะไม่รู้ในทุกขสัจไม่รู้ในสมุทัยสัจไม่รู้ในนิโรสัจและก็ไม่รู้ในนิโรธาคามมนีปฏิปทาอริยสัจ แผนการศึกษาของเราเน้นว่าศึกษาปัจจัยเป็นต้นเพื่อเข้าใจในเรื่องอริยศัพท์คือถ้าเรียนเพื่อทรงคำทีอาจจะต้องตั้งหลักสูตรอีกแบบหนึง่งนะถ้าถ้าเรียนเพื่อที่จะใต่สารคำทีขึ้นตัวเลขสิบสองหลักนะซึ่งของตมาเองก็ยอมรับว่าบุญน้อยที่ที่จะเรียนเลยนะแค่ตัวเลขแค่สามสี่ตัวนี่ก็ะชักมันในสิบสองตัวสิบสองตัวก็มีสภาวะรองรับหมดเลยเมื่อมีสภาวะรองรับหมด พระองค์พิจารณาธรรมะหมวดนี้พระองค์จึงได้บรรลุสัพพัญญุตญาณนนะทีนี้ของเราศึกษาสงเคราะห์เรื่องปัจจัยพอให้มองเห็นในขณะที่มองเห็นว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเอาแค่ว่าเลืมตามองเห็นเนี่ยโดยปัจจัยสามารถที่จะมีปัจจัยอะไรบ้างดังั้นก่อนที่จะเข้าใจในเรื่องปัจจัยนั้นเราก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าในขณะที่เห็นเนี่ยประดิเขตหนึ่งกล่าวว่าอย่างไรนะเราต้องหัดสงเคราะห์ ความรู้ที่เราเคยศึกษาในพระเกศก่องๆมาด้วยขณะที่เห็นอะไรทําเป็นตัวเห็นจิตเห็นจิตเห็นนั้นในพระเกศที่หนึ่งเรียกเชื่อว่าจากโค ว, วิญญาณจิตนะนะจากโควิญญาณจิตและก็อีกชื่อหนึ่งว่าอะเหตุกจิตเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหกประกอบเป็นอโศภนาจิตเป็นกามาวาจะระจิตนะนี่เรียกว่าเป็นความรู้ในชั้นพื้นฐานของ ประเภทหนึ่งทีนี้ปริเภทสองในจักรคูวิญญาณ น, นั้นมีเจตสิกประกอบเท่าไรเจ็ดดวงจักรคูวิญญาณที่ประกอบก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีริตตนตีแล้วก็มานสิกะนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนา เอกคตาชีวิตจิตใจมโะสิการนั้นในการเกิดขึ้นของจิตแต่ว่าการเกิดขึ้นของจิตนั้นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือจิตเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเรียกว่าเาเกิดภัพยาเลยเนาะจากขูวิญญาณเลยเกิดลึกซึ้งจังเอาจากขู่ภาษาพระกันแล้วกัน นะจากคูวัตถุเป็นวัตถุให้จิตเหล่านี้เกิดเป็นปัจวัตถุให้จากคูวิญญาณจิตเกิดทีนี้จากคูวัตถุเนี่ยนะจากจิตเนี่ยเกิดลอยๆได้ไหมไม่ได้จะต้องมีอารมณ์อารมณ์อันนั้นก็คือรูปารมณ์กระดานงันตั้นไป อากาศไม่ขีดเทียนไม่ได้ลักษณะเขายังหนึ่งของปริเสทโรบนะอากาศโรบเนี่ยขีดเทียนไม่ได้นล่นแหละขีดได้แค่ขอบนะพันวัตถุกับอารมณ์จึงเกิดจากขวัวิญญาณอันนี้ความรู้ น, นี้เป็นอันในเรื่องของอารมณ์นั้นปริเสธเท่าไหร่สองเรื่องอารมณ์ปริเสสามสองเรื่องวัตถุกับเรื่องอารมณ์วัตถุทั้งหมดมีเท่าไหร่วัตถุหกอารมณ์มีเท่าไหร่อารมณหกวิญญาณมีเท่าไหร่ วิญญาณหกประเทศสามอ่ะจกคูวิญญาณอารมณ์แล้วก็เวทนาจากคูวิญญาณต้องเป็นอเบขาเวทนานะความรู้เรื่องนี้เป็นปรเทศปรเทศสามทีนี้ตอนที่จิตดวงนี้จะมีตอนที่จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นตอนที่จะคูวิญญาณจะเกิดขึ้นถ้าเป็นปรเทศสี่จะกล่าวถึงเรื่องของวิถีเพราะฉะนั้ก่อนหน้านี้จะต้องมีจิตเกิดขึ้นก่อนเรียกว่า ปัญจทวาราวัชนจิตแต่ถ้าชื่อจํำพ่อเจ้าจงของเขาชื่อว่าจากขู่ทวาราวัชนจิตเป็นจิตที่รำพึงถึงรูปารมณ์จิตตัวนี้เนี่ยรำพึงถึงรูปารมณ์ตึ๊ดเป็นอนันตระปัจจัยให้จากขูวิญญาณต่อเกิดขึ้นแตาถ้าหากว่าเป็นบริเทศศีรษะไม่เรียกโดยคําว่าปัจจยัยแต่เรียกว่าปัญจทวาราวัชนาจิตเกิดตอนจากขูวิญญาณจึงเกิดต่อนะ ลักษณะของประเพณีถ้าเป็นประเพณีห้าจะตรงข้อโดยภูมิพวกนี้ต้องเป็นตามภูมิโดยโดยกรรมอันนี้เป็นผลของของกรรมผลของกรรมอะไรบ้างเช่นผลของทิฏฐธรรมเวชนียกรรมผลของอุปชาเวชนียกรรมผลของอัปปราปริยะเวชนียกรรมอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่กล่าวถึงเรื่องของกรรมภูมิเป็นต้นนานะแล้วก็เรื่องปฏิสนี่เรื่องอะไรไปอีก ดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ความรู้ในประเพณีห้ามาใช้ได้และความรู้ในประเพณีหกกล่าวถึงเรื่องของรูปว่าอย่างไายจักขุตัวตาของเราเนี่ยมีรูปทั้งหมดอยู่กี่รูปอความรู้อันนั้นอยู่ในชั้นประเพณประเพณที่หกกล่าวถึงเรื่องวัตถุหรือเรื่องรูปอย่างดีอันนั้นเรื่องอารมณ์นี่กล่าวตั้งแต่ประเพณีสามละประเพณีสามนี่กล่าวไว้ชัดเจนทีนี้ประเพณต่อไปประเพณที่ที่เจ็ดประเพณที่เจ็ดนี้ ขอยกตัวอย่างเช่นสงฆ์ข้อโดยสัพพะสังขะสง์ข้อโดยขันใช่หตากับสีอันนี้ก็ต้องเป็นรูประขันแนในสง์ข้อโดยขันจากครูวิญญาณเป็นวิญญาณขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือมีผัสสะเจตานาเป็นต้นเป็นสังขารขันนะเป็นสังขารขัน ถ้าเป็นอายตนะได้ไหมได้ไหจากขูว่โทเป็นจากขาอายตนะนะรูปารมณ์สีก็เป็นรูปายตนะจากขูวัดจากขูวิญญาณเป็นมนายตนะเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมายตนะถ้าเป็นธาตุอะจากขู่นี้เป็นจากขู่ธาตุสีเป็นรูปธาตุจากขูวิญญาณเป็น จากขูวิญญาณธาตุเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมธาตุเนี่ยโดยธาตุถ้าโดยสัพจกทั้งหมดนี้ทั้งจากขูทั้งสีทั้งจากขู่วิญญาณเป็นทุกขสัพทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าพูดถึงคาว่าทุกขสัพทุกขสัพนั้นต้องอย่าลืมปริญญาสามเข้าไปปริญญาญากิจเพราะว่าจริจของเขาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ปริญญาเป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามีอยู่แค่นี้นะไม่ต้องมีคำสอนเขาก็ รู้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะถ้าไม่มีปริญญาเข้ามามาเรียนรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นะมันก็แทบไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะปกติเราก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ต่อเมื่อเจริญอบรมเรื่องของปริญญาหรือเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นซึ่งจากกล่าวต่อไปแล้วก็ใน ตรงนี้เนี่ยในภาพอันนี้สามารถมองในประเพณ ท, ที่ที่7ดเช่นโดยอินซีได้โดยอินซีนี้จะขูวัตถุเป็นจากขุนศีนะจะขูวิญญาณเป็นมนณีศีเวทนาเป็นเวทนินรีเอกข้าตาเป็นอินซีไหมเป็นสมาธินรีชีวิตเป็นอินซีไหมเป็นชีวิตอิ์ และความรู้อันนี้ก็เป็นเป็นความรู้เรื่องอินทรีย์ในเป็นเรื่องของปริเฉดที่เจ็ดจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าเป็นปริเฉดแปดปริเฉดแปดนั้นจะกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ก็คือใช้ความรู้เดิมของเราตั้งแต่ปริเฉดหนึ่งถึงเจ็ดนั่นแหละแต่มากล่าวโดยสำนวนอีกสำนวนหนึ่งเรียกว่าใช้โดยคำว่าปัจจัยเข้ามาแทนหรือปัจฐานในกับปฏิจจสมุปบาทใน ในชั้นต้นท่านก็กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในก่อนในปฏิจจสมุปบาทในนั้นจากโขวัตถุเป็นอะไรในในปฏิจจจากขวัตถุเท่ากับเป็นสลายตระนัสนะจากขวิญญาณเป็นเป็นวิญญาณเกตสิกที่ประกอบเป็นนามจำมะชรูปเหล่านี้ตกเป็นรูปผัสสะเป็นผัสสะ ใ น, ในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นเวทนาในปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นในขณะนี้นี่สิ่งเหล่านี้อาศัยอันนี้สามารถที่จะมองเป็นปฏิจจสมุปบาทในบริเขตที่ที่แตกได้ทีนี้ของเราที่เราเรียนเรื่องปัจฐานหรือเรื่องปัจจัยนั้นเป็นการพูดถึงบริเขตที่แตกโดยปัจฐานในนะซึ่งในที่เดียวกันนั้นเราสามารถมองได้ห ล, ลายบริเขตหลายๆบทเข้าเดียวกันแล้วขณะเดียวกันด้วยขณะไหน ขณะเห็นนะณขณะเห็นถ้าเราเอาความรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กล่าวไว้แล้วมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้จึงจะเป็นกาลยานาปุตุชนอันท่าปุตุชนกับกาลยาณปุตุชนจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าอันท่าปุตุชนนั้นไม่มีการเอาความรู้ธรรมะเหล่านี้มาพิจารณานี้เลยนะ อันท่าปุตตชนหรือปุตตชนที่บอดเนี่ยไม่มีการเอาความรู้เอาคําสอนเหล่านี้มาพิจารณาเลยส่วนกาละยานนะปุตุชนผู้ที่ปุตุชนที่ศึกษาโดยเอาคําสอนเหล่านี้มาวิพิจารณาในในชีวิตจริงๆทั้นองค์คุณของพหูสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิพิทั้นการเรียนของเรานั้นจะต้องเรียนจนถึงว่าเอามาสงเคราะห์ในชีวิตจริงๆของเราได้ ความรู้อันนี้จนถ้าเข้าใจดีแล้วก็แทบไม่ต้องไม่ต้องจำเลยใหม่ๆก็ต้องศึกษาแล้วก็องฝึกฝนมีทักษะใช่บ่อยๆคิดบ่อยๆเป็นประจําเอาความรู้พระธรรมคาสอนเนี่ยส่งมาสง่งเคราะ์ในในชีวิตของเราให้ได้ถ้าเราสง่งเคราะห์ได้เราจะมองเห็นพระธรรมอยู่แค่เรากับทิศตาเท่านั้นเองนะพระธรรมคาสอนอยู่ตรงนั้นเองท่านเราสา ม, มารถที่จะมองเห็นได้ว่าคนบอดอ่าเรียกว่าตาปัญญาบอดเป็นลักษณะอย่างไร คนมีปัญญานั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเรามีศาสนากับไม่มีศาสนาแตกต่างกันอย่างไรเป็นต้นเราสามารถที่จะอธิบายได้าทีนี้เมื่อกี้นี้เราได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะตอนพื้นฐานในการพิจารณาทั้งวัตถุทั้งมี ญ, ญาณอารมณ์นั้นสิ่งที่แน่นสิ่งที่ควรเป็นความรู้พื้นฐานเลยก็คือเรื่องของวิปัสสนาภูมิโดยการส่งข้อวิปัสสนาภูมิลง ตรงนี้นะเอาความรู้เรื่องวิปัสนาภูมิลงไปเลยวิปัสนาภูมินั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะขันหนึ่งสองาสสามอายตนะสี่สัดจะห้าอินทรีหกปฏิจจสมุปบาทนั่นแะหละ ในในที่เดียวกันนั้นทั้งตาเห็นรูปนั้นสามารถที่จะส่งเคราะห์โดยขันธาตอายตนะสัจจะอินทรีและก็ปฏิจจารสมาบาทได้คือถ้าหากว่าเราสามารถสามารถส่งเคราะห์ตรงนี้ได้นะเราก็สามารถที่จะส่องเคราะห์ถาวรอื่นๆต่อไปในลักษณะนี้ได้ะสามารถที่จะไปส่งเคราะาห์ในถาวรโหก็ได้ถาวรจะหมกเพราะว่าชื่อจะคล้ายๆกันชื่อเนี่ยคล้ายๆกัน ต่างกันแค่ภาษาธรุบส่วนที่เหลือก็ค่ะอารมณ์ก็ต่างแต่ว่าวิญญาณเจตสิกที่ประกอบก็กเหมือนกันแต่มีชื่อตามตามถวาวรนั้นตายแค่นั้นเองงั้นถ้าหาว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ปุ๊บจะทำให้รู้เรื่องหนึ่งนะวัฏถุหกสองอารมณ์หกสามวิญญาณหกสี่ภาษาหกห้าเวทนาหกสัญญาหก เจตนาหกหมวดธรรมะเหล่านี้อยู่ในอภินญญานิเทศในคัมภีร์ปฏิสัมพิภามักด้วยแล้วก็ในพุทธพจน์กล่าวไว้หลายหลายแห่งมากเลยแม้แต่เรื่องของอริยสัจนั้นในสัจจะ บ, บัพพะในสติปัฏฐานหรือความรู้ด้วยเรื่องอริยสัจนั้นจะ ก, กล่าวถึงเรื่องของเช่นอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกก็วัตถุหกวัตถุหกประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเป็นที่รักที่ชอบใจในโลก อาร ity, domestic, domestic, o, ะมณ์หก็คือโรคเสียงเปลี่นรสโภพภะและธรรมารมณ์ว like. ิญญาณหกก็คือจักรคูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณและก็มโนวิญญาณทีนี้ภาสาหกก็คือจักรคู่สัมผัสโสตสัมผัสขานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและก็มโนสัมผัส ทีนี้พอรู้เรื่องสัมผัสหกก็จะรู้เรื่องเวทนาหกก็คือมีชื่อว่าจักขโหสัมผัสสชาเวทนาโส ต, ตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนาตายะสัมผัสชาเวทนาและก็สุดท้ายธรรมะสัมผัสชาเวทนาอามาโนสัมผัสสชาเวทนานะ มโนกนธรรมะโทรศัพท์เลยแล้วมันใกล้กันได้ยังไงเนะไปเรื่อยเลยเนาะอันนะไดเวทนาหกต่อไปสัญญาหกสัญญานี้อะไรบ้างหนึ่งรูปประสัญญาสัญญาในสีเรียกว่ารูปประสัญญาสองสัรทาสัญญาสามคันท่าสัญญาก็คือสัญญาที่จำได้ในในกลิ่นตไอไประสาสัญญารส สัญญาความจำในรถแล้วก็ต่อไปอีกโพธิภพสัญญาสัญญาที่ในเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็งไหวต่อไปอีกธรรมะสัญญาธรรมะสัญญานั้นกว้างเนาะก็คือไม่ใช่สัญญาในอารมณ์ห้าที่ว่าไปที่เหลือเป็นธรรมะสัญญาต่อไปก็สัญเจตนาเจตนาอันนี้ชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าสัญเจตนาสันเจตนาหนึ่งนะเช่น รูปสันเจตนาตาตายสัพพะสันเจตนาคานะสังเจตนาคันธาสิเนาะคานะสันเจตนาเนี่ยชื่อของเขาว่าธรรมะธรรมะสันเจตนาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นกลิ่นคันธะสันเจตนาตาตายรสะสันเจตนาโพธะสันเจตนาแล้วก็ธรรมะสันเจตนานะ นี้เรียกว่าเจตนาหกทีนี้อ่าถ้าเป็นจิตดวงอื่นๆนะถ้าต่อไปเลยก็จะมีวิตกด้วยมีวิจารณ์มีวิตกวิจารณ์วิตกอันนี้เนี่ยที่จิตดวงที่เกิดต่อจากจากขู่วิญญาณนั้นจะมีวิตกเข้ามาด้วยจึงมีวิตกหกวิตกหกก็คือโรคประวิตกสองสัตว์วิตกวิตกในเสียงสาม คันทาวิตกสี่รักาอ่ะคันพาวิตกราษาวิตกโพธภาวิตกแล้วก็ธรรมวิตกนะต่อไปวิจารนวิจาร์ก็วิจารหกเหมือนกันโรคปะวิจารจัดภาพวิจารคันพาวิจารรากษาวิจารโพธภาวิจารและก็ธรรมวิจารธรรมวิจารในที่นี้ไม่ใช่ธรรมวิจารในหลักสูตรนักธรเองนะแต่ก็คือวิจารใน ไม่ใช่วิจาร์ในหกอย่างที่เหลือนั่นแหละที่เหลือเรียกว่าธรรมวิจารอาจได้กี่ตัวแล้วหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะคือวัตถุใช่ไหมคือกลุ่มตาเป็นต้นสองอารมณ์หกวิญญาณหกกลุ่มที่สามสี่ภาษาหกห้าเวทนาหกสัญญาหกเจตนาแล้วก็ต่อไปวิตกอีกหกเป็นแปด วิจารณถ้าเป็นจิต ต, ต่อไปอีกเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคือเพื่ออะไรสุดท้ายหรืออีกอย่างหนึ่งอ่าถ้าเป็นจิตในชาวนะจะมีพิเศษอีกตัวหนึ่งเรียกว่ามีตัวหนึ่งซึ่งไม่น่าปราคนาแต่เกิดบ่อยคือถ้าไม่เกิดอันนี้ไม่เกิดก็ทุกข์อีกเหมือนกันนะทานอาหารและโลภะไม่ค่อยเกิดนี่ก็ชักไม่ค่อยสนุกอีกเหมือนกันนะอาหารชักไม่อร่อยเลยมันเรียกว่าตันหา ก็คือโลภะตัณหานี่มีอยู่หกอย่างด้วยกันตัณหาหกนั้นก็คือรูประตันหาความเพลิดเพลินในรูปตัณหานี้แปลว่าความเพลินเนียเพลิดเพลินตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโสพภะตัณหาในธรรมรมอ่ะนะเนื่องอย่างนี้เป็นหก เท่ากับสิบคูณหกเป็นธรรมะเท่าไหร่โอ้ธรรมะหกสิบโอ้เพียบเลยเนาะนั่นแหละและก็ความจริงเหล่านี้เป็นทุกขศัพท์เกิดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราขณะไหนบ้างไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีภาษาทโรค6หกเออไม่มีเกี่ยวกับเรื่องวัตถุหกเช่นตานี่เราไม่ใช้ตาเลยมีไหมอาจจะมีขณะหลับเท่านั้นเองใช่ไหมขณะที่หลับตา คิดว่าไม่ใช่หูเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากตัวจมูกทางเ้นทางกายแล้วก็ทางใจนั้นชีวิตของเราลูกงบเน้นเพราะองค์จียงแบ่งออกเป็นโลกหโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายแล้วก็โลกทางใจทีนี้ในโลกทางตาเราก็มาไล่องค์ทำเราเอาเฉพาะทวารเดียวเช่นตาสี จากขู่วิญญาณจากขู่สัมผัสชื่อเต็มๆนะจากขู่สัมผัสชาเวทนาโรค ป, ประสัญญาโรค ป, ประสัญเจตนารู ป, ประวิตกโรค ป, ประวิจารณ์แล้วก็โรค ป, ปรัญหานะ่นี้เอาเอาแค่ถวาวรเดียวทีนี้ถ้าเลื่อถนถาวรไปเป็นถวาวรหูบ้งางถาวรหูก็คือหนึ่งโสตะเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัส โตตสตจัมพาชาเวธนาแล้วก็ต่อไปสัพพะสัญญาสัพพะสัญเจตนาสัพพะวิตตกสัพพะวิจารแล้วก็สัพพะตันหานะไล่เป็นทวารเลงแล้วต่อไปก็คือทวารทวารจมูกหรือคานะอใครตามไม่ทันบ้างทันไหมทันเนาะถ้าทันนี่ก็แสดงว่าเก่งมากเลยถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะทวนบ่อยๆ ตัพไพรร์นะขณะหนึ่งขณะสองกลิ่นสามขณะวิญญาณเป่านะสัมผัสห้าขณะสัมผัสสชาเวทนาหกคันทะสัญญาก็คือกลิ่นคันทะสัญญากลิ่นตัพไพคันทะสัญเจตนาแป ว, ว่าเจตนาในกลิ่นตัพไเอกคันทะวิตกคันทะวิจารณ์แล้วก็ ธาตัหาทีนี้มาเปลี่ยนเป็นทวารเล้นบ้างทวารเล้นทวารเล้นก็คือเด้งนะ้าคิวหาภาษาธาสองระะัคือรถสามคิวหาวิญญาณสี่คิวหาสัมผัส 5. ้าคิวหาสัมผัสชาเวทนาหกระสศสัญญา เดรัษาสันจตนาแปดรสษาวิตกเก้รารัษาวิจาร 10. ราาสษตัณหานะธรรมะสิบอย่างเลยนะในในทางว า, าวารลิ้นเรียกาวารกายบ้างไม่ต้องเรียบนะเนอะพรรียบมาเยอะแล้วก็ไม่ทันไปไหนก็กลับมาที่เก่าอีกแล้วมาย <c oughs> กายหนึ่งกาย สองโพธาภโพธาภะคือโพธาภะคืออะไรบ้างหนึ่งเย็นตับร้อนเป็นเตโชธาตสองตึงไหวเป็นวายโยธาสามอ่อนแข็งเป็นปฐวีธาตอ น, นะกายกับโพธาะเกิดสามกายญวิญญาณต่อไปกายะสัมผัสกายะสัมผัสสชาเวทนาอันน่นอีก โพธภสัญญาโพตาภะสัมเจตนาโพตาภวิตกโพธภาภวิจารและก็สุดท้ายโพธภตันหาโลภะในโพธภะทีนี้ทวารสุดท้ายมโนทวารขร้นต้นด้วยมโนมโนหมายถึงภวังขจิตนะอันนี้เปลี่ยนจากวัตถุเป็นภวังขจิตมโนหมายถึงภวังคจิต มโนธรรมะธรรมะก็คือไม่ใช่อารมณ์ห้าที่เหลือไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพสภาพะมโนผวังได้แก่ผวังธรมรมารมมโนวิญญาณมโนวิญญาณ น, นั้นนับตั้งแต่มโนภวาราวัชนาจิตแล้วก็ชาวนาจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณเอาใหม่นะทวนมโนได้แก่ผวังเอาวังต่อไป ธรรมารมมโนวิญญาณแล้วก็มโนสัมผัสมโนสัมผัสสชาเวทนาต่อไปก็ธรรมะสัจเวทนาว่ายังมโนสัมผัสสชาเวทนาว่าแล้วเนาะเฮ้ยสงตัเดินอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาเลยล้มเลยนาะมันเลื่นอ่ะทางมันลืน่นอ่าฝนมัน นี่ก็อบอกว่าท่านท่านลีลาอะไรนะก็อบอกไม่คล่องนะว่าไป <c oughs> ต่อไปนะธรรมะสัญญาธรรมะสันเจตนาต่อไปอีกธรรมวิตกธรรมวิจารธรรมตัณหาทีนี้ได้ความรู้วันนี้ชื่อว่าเป็นความรู้ในในหัวข้อไหนเนี่ยเท่าแต่ชันในหัวข้อไหน <c oughs> อในข้อนี้นะ มาจากข้อนี้เพราะว่าสัจจะมีกี่อย่างสี่อย่างประกอบไปด้วยทุกสมุทัยสามนิโรธสี่นิโรธโราคามิปติปทาอันนะถามว่าทุกได้แก่อะไรย่อๆก็คือ อ่าอุปาทานขันห้า น, นะยมีลาวันบอกไม่เที่ยงเลยทุกเพราะมันไม่เที่ยงอ้าวจะเอาวิปัสสนาขึ้นพวดๆเลยเนาะอ๋อ น, นะทุกได้ทุกข์ขาดได้แก่อุปาทานขันห้าอันนี้เป็นอุปาทานขันห้าไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานตัวนี้เป็นตัวอุปาทานเมียันเดียวนะตรงนี้ตัวตันหาเป็นตัวอุปท า, าน ที่เหลือเป็นขันห้าทั้งอุปาทานด้วยทั้งขันห้าด้วยเลยเรียกว่าอุปาทานขันห้าเพราะว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็คือกลุมวัตถุ ก, ก็คือรูปกลุ่มนี้เป็นรูปเรียกว่ารูปูปาทานขันถ้าเข้าใจขันทุกอันนี้ปุ๊บจะเข้าใจอันนี้ด้วยนะเรียกว่ารูปูปาทานขันสอง เวทนูปาทานขันก็คือเวทนาหกนั่นแหละเป็นเวทนูปาทานนขันสามสัญญูปาทานนขันก็คือสัญญาต่อไปสี่สังขารูปาทานขันก็คือเวนรูปเวทนาสัญญาและวิญญาณที่เหลือเป็นสังขารูปาทานนขันเป็นสังขารูปาทานนขันทีนี้ต่อไปวิญญาณขันก็คือจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขัน เป็นวิญญาณูปาทานขันตรงนี้เนี่ยถ้าพูดในยักษณะสัจจะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยละไวในฐานะที่เข้าใจกันว่าเว้นโลกุตระธรธรมเท่ากับไม่ได้พูดถึงโลกุตระธรรมพูดถึงแต่แว่าธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออุปาทานขันห้าตัวตัณหาเป็นขันห้าเป็นขันด้วย <_' S 1> เป็นอุปาทานขันด้วยไอ้ตัวนี้นะเป็นทั้งขันเป็นทั้ง อุปาทานขันตัวแสบเลยนะปฏิสนธิก็ตัวนี้แหละถ้าไม่มีตัณหาน่ไม่เกิดแน่เอาทีนี้ถามว่าที่ใช้คำว่าทุกข์เพราะประกอบไปด้วยชาติชราปรยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและก็อุปาญาต์อาศัยอะไรจึงเกิดทุกข์ชาติเป็นต้นก็อาศัยขันห้าเหล่านี้นี่แหละจึงเป็นชาติชรา พยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและก็อุปายาสนะถ้าไม่มีตาเหรอมันก็ไม่เรียกว่าเกิด น, นะถ้าพูดถึงตาปุ๊บหูจมูกเลนส์กายใจเท่าเข้ามาด้วยแล้วนะก็อาศัยตาหูจมูกเลนส์กายใจเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าชาติปีตุขาความเกิดชราลาปีตุขาความแก่มรณะปีตุขังแล้วก็ความตายนะดงนั้นความรู้วันนี้ก็เป็นทุกขสัตว์นี่นะ ทีนี้ไอ้ตันหาอันนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่อย่างแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาโดแบบรวมๆก็คือตันหาที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์สมุทัยก็คือตัวตันหาที่ไปยินดีในธรรมะหกสิบหมวด ยศาสต ร, ร์ทีนี้เอาพูดแบบรวมๆคือคําว่าตัญหาอันเดียวแต่ถ้าหากว่าเอาสามมาคูณหกสิบโมโเพียบเลยกันนี้เยอะเลยเนาะเอาพอแล้วเอาแค่หกสิบพอแล้วเนาะจาไม่หวาดไม่ไหวอนะเพราะฉะนั้นตัวตัวอุปาทานหรือตัวตัญหาตัวนี้แหละคือตัวสมุทัยศาสตร์ทีนี้ตัญหาจะเกิดเกิดที่ไหน อนี่คําถามว่าถ้าตันหาเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ชวนาะเอางี้เหลยโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ก็อันนั้นก็เรียกว่าสํานวนสํานวนปริเชษสามโลภะทำรรชาวนากิจอันนั้นอีกสํานวนหนึ่งถ้าสํานวนสัจจะตรงนี้ต้องใช้คําว่าตันหาจะเกิดเกิดที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจตันหาจะเกิดก็เกิดที่นั้นนะอะไรบ้างเป็นที่รักที่ชอบใจ ตาก็ไอ้หกสิบอย่างนี่แหละเป็นที่รักที่ชอบใจตันหาอย่างชอบตันหาเลยเอ้าสุดท้ายเลยนะตันหายังชอบตันหาเลยเฉนะนั้ น, า ต, นาาตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่สีแล้วก็จักรคูวิญญาณเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยจักรคูวิญญาณโดยปัจจัยอะไรปัจจัยอะไรอันนะชาติที่หนึ่งสหชาติชาติใช่ไหม นะตันหาจะร่วมจับจักขู่วัตถุไหมใช่ไหมเกิดไหมไม่เกิดแต่ตันหานั้นอาศัยโดยความเป็นอารมณะปัจจัยตันหาตัวไปยึดจักขู่วัตถุโดยอารมณะปัจจัยยึดรูปโดยอารมณปัจจัยเพราะั้อารมณ์เหล่านี้เป็นที่อาศัยยึดให้แก่ตันหาด้วยอานาจอารมณะปัจจัยอารมณชาติอะอารมณชาติ ทีนี้ถ้าหากว่าจะเป็นนิโรธสัตว์ล่ะจะละตันหาเนี่ยละละที่ไหนละที่ไหนโอ้ยโยมวิราวันบอกละที่มันเกิดเลยนะยนเอาเกิดที่ไหนเอาที่นั่นเอาแจ้วถ้ามันเกิดที่ตาทำไงอะหลับตาโอ้โหตกม้าตายตอนจบเลยก็ท่านบอกว่ามีม้าตีนต้นไงเขาบอกบางพวกนี่เป็นม้าตีนต้นอีกสุกพวกหนึ่นนน <c oughs> งก็บอกม้าตีนปลาย และคุณสสุดท้ายก็ปลายตีนมามาตีนต้นนี้เหมือนว่าสตาร์ทเนี่ยโอ้ยปุ๊บเลยในเรื่อม้าตีนต้นไอ้ทุพวกมะม้าตีนปลายก็คือใกล้จะถึงที่จบแล้วโอ้โหมันสตาร์ทใหญ่เลยถึงถึงจุดก่อนอะไนเงี้ยและปลายตีนมานี่ออกตัวได้หน่อยเนี่ยตกม้าตายเลยลอืมเพราะฉะนั้นถามว่านาคุเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัญหาเมื่อเกิดเกิดที่จากโข ถ้าจะละตันหาละที่ไหนละที่จักขุถามว่าจะละละได้อย่างไรเราต้องไม่ลืมนะใช้คำว่าละใช่ไหมละแปลเป็นบาลีว่าประหานะประหารประหารมีกี่อย่าง ห, าหนึ่งตะทงัะงค ะ, ะ, ะประหารสองเวขมพนะเวขมพนะประหาร สามสมุดเฉดท่าประหารอประหารที่เหลื อ, อไว้ก่อนที่นี่ในวิคัมพนาประหารได้แก่ชานนะวิคัมพนาเท่ากับชานสมุดเฉดได้แก่มัดอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเอาเฉพาะตะทางค่าประหารตะทางค่าประหารมีหลายระดับด้วยกันตะทางค่าประหารนั้นที่เราคุ้นคุ้นก็คือปริญญา แต่ทางค้าพอาหารเราคุ้นในฐานะเรียนเรื่องปริญญามาแต่ถ้าใช้คําว่าต่ทางค้าพอาหารเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณะแต่ตรงนี้เราขอกล่าวถึงเรื่องของปริญญาเพราะว่าเราคุ้นกันดังนั้นความรู้ในเรื่องจักขูจริงๆเนี่ยนะเริ่มเป็นต่ทางค้าพอาหารหรือยาตะปริญญาที่จะละตันหาละที่ไหนละที่จักขู่วัตถุละได้ยังไงละได้ยังไงอ่า น, นะ ชั้นต้นเลยเห็นจักรุู่เป็นวัตถุเห็นจักรุู่เป็นจักขุู่เห็นตาเป็นตาละอะไรได้ละอะไรละสกายยะทิฐิได้เห็นจักรุู่เป็นวัตถุเห็นจักรุูเป็นจักรุู่เห็นตาเป็นตาแต่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนะเห็นเป็นอะไรเห็นตาเป็นอะไรปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเห็นตาเป็นตนตาเนี่ยมีอยู่ในตนตนเนี่ยมีอยู่ในตา ถ้าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจะเป็นลักษณะนั้นแต่ปุตุชนผู้ได้สดับหรืออริยาสาวกผู้ได้สดับนั้นจะพิจารณาเห็นตาเป็นเห็นตาเป็นตาเพราะตาประกอบด้วยรูปกี่รูปตัวตาเองนั้นถ้าเฉพาะเป็นจกักขคุทสกะกลาบมีรูปที่เป็นบริวารแวดล้อมสิบรูปตัวข้องเข้าเองเนี่ยนะรูปที่อยู่ในปราบเดียวกันกลุ่มเดียวกันมี1ิบรูปรูปที่เป็นปัจจัยอุปธรรมบริวารแวดล้อมอีก รวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วห้าสิบสี่รูปก็คือภาวะทัศกาลกราบอีกสิบรูปกายทัศกาลกราบอีกสิบรูปผมมีกายด้วยมีหน้าตื่นเช้ามาแสบตาเลยอ่แล้วต่อไปอีกมีอาหารแปดอุตุแปดจิตอีก 8. แปดทั้นตรงนี้ก็มีอยู่ห้าสิบสี่รูปห้าสิบสี่รูปด้วยกันเมื่อรู้จักตาเป็นตาแล้วรู้จักอะไรต่อไปอีก ที่จะเป็นยาตาปริญญาก็ต้องรู้จักปัจจัยของตาใช่ไหมก็คือภาวะสิบตายอีกสิบอะไรอุตุแปดจิตแปดอาหารอีกแปดใช่ไหมภาวะก็มาจาก มาจากปัจจัยเดียวกันเอ่มาจากปัจจัยคล้ายคลึงกันก็คือกรรมเดี๋ยวนะนี่เราเรียนเรื่องเห็นจะเห็นนานนะขานคณิตะกรรมมาชาติเข้ามาล่วว่ากรรมมชรูปนั้นมีกรรมเป็นปัจจัยกรรมที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้ให้เกิดทั้งจากวัตถุทำให้เกิดภาวะทำให้เกิดกายใช่ไหม ทีนี้กรรมอันนี้เนี่ยจะไม่มีผลเลยนะถ้าไม่มีอะไรเป็นเชื้อให้เขาเกิดไม่มีตันหาเนี่ยนะตันหกรรมอวิชชาเนี่ยนะเป็นเชื้อให้วัตถุรูปเหล่านี้เกิดให้กรรมม่ชัรูปเหล่านี้เกิดแต่ว่าเป็นโดยลักษณะปะกระโตปะนิสยาปัจจัยตันหาเป็นปัจจัยให้กรรมไม่ชรูปเหล่านี้เกิดด้วยอํานาจปะกระโตปะนิสยาปัจจัย กรรมเป็นปัจจัยให้วัตถุรูปเหล่านี้เกิดได้สองปัจจัยคือนานาค่ะนีก่กกรร ม, มปัจจัยกับปกจตูปะนิสยะปัจจัยนะถ้าอุตูชรูปอุตูก็เป็นปัจจัยแกแกอุตูชรูป อ, อุตูเนี่ยอุตูชรูปมาจากอุตูอุตูอันนี้มาจากไหนอุตูมาจากไหนอ่าเคยได้ยินนะ อุตุปัจจยะอุตุนะอุตุมจากอุตุต่อไปสองจิตตะปัจจะยะอุตุสามกามะปัจจะยะอุตุสุดท้ายอาหาระปัจจะยะอุตอมุมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแปลไทยเป็นไทยเอยงนี่ จุลตีทั้งนั้นแหละชั้นเหล่านี้อ่ะคนเรียนมาจบชั้นสูงๆแล้วนั่นแหละเรีน จ, จบจุลเอกแล้วยั ง, ยงเกือบ เ, อเกือบเนาะเกือบแล้วเกือบแล้วมันไปไล่กลับมาหน่อยเนาะคงไม่เสียเวลาเท่าไหร่เนาะกลับมาโยของเก่าอีกนิดนึงอ๋อ น, นะในวัตถุในกา ร, รม่ชรูปนะคือจากคูวัตถุภาวะและก็ในกายเนี่ยมีปฐวีธาตุอยู่ไอมีเตโชธาตุอยู่ไหม มีเตโชธาตุตรงนั้นเนี่ยในฐานะเป็นอุตุไอ ต, ตัวเตโชเนี่ยคือตัวอุตุในจักขรในภาวะในกายเตโชที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอถึงถีติขณะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้อุตุชรูกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้ตรงก็เป็นอย่างนี้อุตุที่นายจักรวัดถูเป็นปัจจัยแก่อุตุชรูกเรียกว่า กรร ม, มปัจจะยอุตูชรูปทีแรกเนี่ยอุตูเกิดจากกรรมก่อนใช่ไหมเตโชธาต้อ น, นั้นเกิดจากกรรมเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยให้อุตูอย่างนี้เรียกว่ากรร ม, มปัจจะยอุตุชรูปอุตูชรูปที่อยู่ในภาวะรูปเตโชนั้นเนี่ยเตโชที่อยู่ในภาวะรูปก็เป็นกรรมมปัจจะยะอุตูชรูปเตโชธาตที่อยู่ในกายทัศกะกราบเตโชนั้นก็เป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเรียกว่า กรรมปัจจะยอุตุชรูปตรงนี้กรรมปัจจะยอุตุชรูปมีอยู่สามเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้มันเต็มก็ต้องเขียนสามแต่ว่าอันเดียวก็พอไม่งั้นมันชัดจะรกเลยนะมองเห็นหรือเปล่าข้างล่างแล้วไม่เห็นเลยเนะไม่เห็นฟังเสียงเอาเขาบอกว่าฟังแล้วให้มันเป็นภาพดูภาพแล้วให้มันเป็นเสียงแปลกลับไปกลับมาให้มันได้ต่อไปในจิตตรูปมีวินิโยครูปแปดในนั้นก็มี มีอุตุคือเตโชาธาต์อยู่ด้วยเตโชาธาต์นั้นเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเกิดเพราะฉะนั้นเรียกว่าจิตตะปัจจะยะอุตุชรูปนะไออุตุนี้ชักไม่สนุกนะยอมผู้กลางกัเล่าชักไม่ไม่ง่ายและไออุตุเนี่ยโตโตเลยเนี่ยมันยาก จ, จริงเลยต่อไปนะเตโชาธาต์ที่อยู่ในอาหารจชกาพอถึงทิติขณะก็เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปเรียกว่าอาหารปัจจะยอุตุชรูป แล้วในอุตูชรูปเองนั้นพอถึงถีติขณะก็เป็นปัจจัยแก่อุตูด้วยเรียกว่าอุตุปัจยะอุตุชรูปเพราะนั้นอุตูชรูปมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันตัวของเขาจริงๆคือตัวอุตุแต่อุตูมาจากอุตูมาจากจิตมาจากกรรมและมาจากอาหารนั่นแหละนี้เรียกว่าอุตูชรูปอาหารชรูปก็แปดเพราะนั้นในรูปเหล่านี้เนี่ยอุตูชรูปก็มาจากปัจจัยถ้าจิตตชรูปมาจาก มาจากจิตจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรุปจิตอันนี้เนี่ยที่เป็นปัจจัยตรงตาเราเนี่ยมีกี่ดวงจิตที่เป็นปัจจัยให้จิตตชรุปเกิดที่ตาของเราเนี่ยมีกี่ดวงพวกเรานะพวกเราเอานะอากุศลจิตสิบสองบวกนะเอาแบบเต็ม น, นี้ก่อนนะมหากุศลจิตแปดสามปฏิดชนะจิต สองสันติรณจิตสามมโนทวารวัชนะกับปัญจทวารวชนะอีกสองมโนทวาราวัชนะกับปัญจาาวาาวทวา ร, า ว, าา ว, าราวัชนะด้วยเป็นกี่รูปอ่าเป็นกี่ดวงยี่สิบบวกเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมหาวิบากมหาวิบากด้วยนะเอาแบบ เ, เต็มๆเลยมีมหาวิบากด้วยที่เป็นปัจจัยโดยเป็นทําจิตแต่ชรูปที่ตาเราเพราะฉะนั้นจิตจิตของเราใน ในมโนทวารเนี่ยหรือว่าจิตที่เหลือนะเวทวิปัญจานั้นนะถือว่ามีผลต่อจิตมีผลต่อรูปทางตาเหมือนกันในจิตทุกดวงเหล่านั้นเนี่ยมีผลต่อต่อตาแต่เป็นปัจจัยโดยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเพราะว่าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นไปโดยสหชาตปัจจัย จิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดโดยสหาชาตาชาติาชาตาชาติเพราะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะเพราะในที่เดียวนั้นในอาหารชรูปอันนี้อันนี้ไม่ยากนักเนาะเพราะว่าเราก็ทานอาหารทุกวันอาหารถือว่ามีผลต่อเรื่องของของตาของเรานะอาหารก็มีผลต่อเรื่องของตาของเราแล้วก็ต่อไปอีกหมดแล้วเนาะ อาหารด้วยจิตด้วยเพราะนี้คือปัจจัยของตาเมื่อเห็นจะตาเป็นตาพร้อมทั้งรูปความรู้อันนี้เป็นยาตาปริญญารพร้อมทั้งปัจจัยด้วยนะพร้อมทั้งปัจจัยของตาด้วยจึงเป็นยาตะปริญญาอันนี้เป็นการละเอามาจากไหนคบทวนหัวข้อก็มาจากการละประหารละเพื่อที่จะละตันหาใช่ไหมตันหาจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ตา จะละละที่ไหนก็นละที่ตานั่นแหละละยังไงละด้วยการหนึ่งได้ด้วยญาตะปริญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีเรียกว่ายาตะปริญญาทีนี้ต่อไปอีกตีระณะปริญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอคิเวสนะท่านจงพิจารณากายอันนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นความลาบาก เป็นดังลูกศรบางทีก็บอกเหมือนของขอยืมเข้ามานั่นแหละตาเนี่ยเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยทั้งโดยการศึกษาและโดยการพิจารณาแล้วเนี่ยพร้อมปุ๊บสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจะขู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราควรไหมไม่ควรนั่นเป็นเรามีมา n ะไปเปรียบเทียบในเรื่องตามีมาสมควรไหม นั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นอัตราของเราควรไหมไม่ควรที่จริงนะตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้ตาเราที่สุดเลยธรรมะต่มนี้ที่จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณ น, นามรูปภพชาติต่อไปหาที่สุดไม่เจอแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจด้วยปริญญาเช่นยาตะปริญญาตีรณะปริญญา อย่างนี้เราก็เป็นกาลยานาะปุถุชนเป็นผู้พอกภูณเรียนรู้ปฏิบัติเพื่อละสมุทัยสัตว์เราก็คํานึงว่าอจักครูอันนี้เนี่ยในฐานะเป็นทุกขสัตว์นะจักครูอันนี้เนี่ยเป็นทุกขสัตว์ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดตาถ้าหากว่าจะละตัณหาก็ละที่ตาด้วยการพิจารณาตาให้ละเอียดพ้น่นทีเป็นพ่ชงใช้คําว่า ธรรมะวิจยะสามพ่ชงครับ<ะ>เดี๋ยวดูละครักันในปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอันนี้ปุ๊บเท่ากับรู้เรื่องปัจจัยพอสมควรแล้วในการเรียนเรื่องปัจจัยนั้นจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเอาชาติของปัจจัยแค่เก้าชาติมาจับนะ เอาแค่ก้าวชาติมาจับอย่างเช่นในตัวตาเนี่ยมันเป็นได้กี่ชาติปัจจัยของตาเนี่ยในจักขคูเนี่ยเป็นได้กี่ชาติก็เป็นได้โดยธาตุกรรมเป็นปัจจัยก็ได้นานัคขาคณิกกรรมชาติเป็นหนึ่งชาติแล้วนะต่อไปถ้าเป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปที่อยู่ในในดวงตาเนี่ยเอาสสามภาระจกักษุนะก็เป็นโดยสหชาตชาติ หรือว่ามหาภูตรูปสี่ที่เป็นพื้นฐานอยู่ในนี้ก็เป็นโดยสหา ช, าชาติชาติข้อบอกนิดหนึ่งว่าตรงนี้ไม่ได้เรียนคําว่าจากักรครูภาษาทอันเดียวแต่เราผู้รวมรวมโดยสสัมภาระจกักรสูด้วยนะหมายถึงรูปอื่นๆที่เป็นบริวารรูปที่อยู่แวดล้อมตาด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะตัวจกักรครูภาษาทอันเดียวถ้าจากักรครูภาษาทอันเดียวไม่รู้จะพูดอะไรก็คือมันสายอะ่ะแค่นั้นจบละภาษาทะแปลว่า ความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับปกระทบภาพได้นี่แบบระษาข อ, ของทางพระนะถ้าทางโยมก็ประกอบด้วยวิชาทางโยมไปซึ่งโยมน่าจะรู้ดีกว่าตาณมาตั้งเยอะเอานะถ้าเรามีความเข้าใจอันนี้ดีปุ๊บจะเห็นว่ากลุ่มชาติปัจจัยสำคัญเช่นกรรมก็คือนานักขักษนิกรรธรรมชาติและก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยก็ด้วยอานาจประตูป่านิสยาชาติแต่ว่าโดยสุดตันตนใน แล้วก็อุตุอุตูในนั้นมีมหาภูตรูปอยู่ด้วยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าสหชาตชาตินะฮะถ้าสหชาตชาติมหาภูตรูปไหนนี้เป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนั้นประกอบไปด้วยสหชาตะสหชาตะนิสยาสหชาติเทศสหชาตะอวิคตะปัจจัยได้สี่ปัจจัยเห็นไหมมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่ จากขู่ภาษาทรูปหรืออุปาทายรูปและในขณะเดียวกันตรงนั้นนี่ก็มีรูปอาหารอยู่ด้วยรูปอาหารก็จะได้รูปอาหารชาติก็คือรูปอาหารอาหารริอาหารรวิคตะแสดงว่าตัวปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันปัจจัยกับปัจจุบันนี้เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันแล้วก็ต้องเป็นปัจจุบันด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งต่อไปอีกก็คือในนี้เป็นกรรมชรูป ก, ก็มีชีวิตรูปอยู่ด้วย เป็นรูปชีวิตตินเรียะปัจจัยนะเอาในเรื่องของตามากล่าวทีนี้ต่อไปในตานี้เนี่ยนะในสสาภาระจักษุมีสีอยู่ด้วยไหมมีสีไหมมีถ้าไม่มีนะตาจะมองไม่เห็นตาเลยเพราะในตานี้มีวัณรูปอยู่ด้วยนั้นตาก็เลยมองตาเห็น ตาสุขคำแรกเป็นวัตถุเป็นจกักขูตาที่สองเป็นอารมณ์ในตาเนี่ยมันมันมองได้เพราะว่าในจกักรูททศกะกราบนี้มียุคคำหนึ่งคือวรรณรูปมีสีอยู่ด้วยตากับสีเกิดจากขวิญญาณและความประชุมของธรรมะสามประการก็เป็นเป็นภาษานะตามสูตรพุทธพจน์ทีนี้มีคนกล่าวว่าจากักขูเป็นอัตตา คำของคนนั้นควรไหมไม่ควรเพราะว่าจักรคู่มีทั้งความเกิดและความเสื่อมถ้าไม่มีกรรมจักรคู่เกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีจิตจักรคูมีได้ไหมไม่ได้ไม่มีอาหารจักรคูก็ไม่ได้ไม่มีอุตวจักรคู่ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นจักรคูเนี่ยมีปัจจัยทําให้เกิดจักรคู่มีทั้งความเสื่อมเพราะนั้นถ้าหากว่าใครบอกว่าจักรคูเป็นอัตตาคําของผู้นั้นไม่ควรเพราะว่าจักรคู่มีทั้งความเกิดมีทั้ง ความเสื่อมเพราะฉะนั้นจักขู่จึงเป็นอนัตตาปกติธรรมดาของจักขู่จริงๆแล้วเขาเป็นอนัตตาแต่ปูทุชนไม่ได้สดับสำคัญจักขู่ว่าเป็นอัตตาเพราะไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของความจริงของจกักขู่และไม่รู้เลยต่อไปอีกว่าจักขู่เองก็มีปัจจัยรู้ไม่เลยต่อไปเพราะไม่รู้เลยต่อไปก็ติดอยู่แค่นั้นพอติดอยู่แค่นั้นปั๊บก็ ตันหาวิชาก็ทากิจของเขาและเพื่อก่อปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปนะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเป็นวิปัสนาภูมินั้นจะต้องสงเคราะความรู้อันนี้ทั้งหมดลงเรื่องของขันธาตุอายตนรรยะสัจจะอินทรีแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทในขณะเดียวกันถ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็แสดงว่าปัจัยเข้ามาด้วยปัใจใยก็อยู่ใน ปฏิจจสมุปบาทถ้าตาเนี่ยมีอะไรเป็นเป็นเหตุใกล้จักโคเน <ead Mystery. S 1> ี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักโคเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุใกล้จักโคนะเอาแบบปฏิจจะแบบปฏิ wing. จจะจัคโคเป็นสลายตระนะใช่ไหมจักโคเป็นสลายตระนะสลายตระนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยก็คือมีจิตเจตสิกที่เ <Mo> ก <ves vantage matter> ิดร่วมด้วยนั่นแหละมีรูปที่ร่วมด้วยนั่นแหละเป็นปัจจัย แล้วก็มีวินมีนามเป็นปัจจัยแล้วก็ทั้งนามทั้งรูปมีอะไรเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารหรือมีกรรมเป็นปัจจัยทําไมจึงทํากรรมละ่ะเพราะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้อริยศาส์นะจนแล ว, ว่าไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้กับ ไม่รู้ไม่รู้ในพระธรรมกับไม่รู้ในในทั่วไปคนละคำกันนะก็เหมือนกับว่าเราลืมตามองเห็นแผ่นกระดานเนี่ยถามว่ารู้หรือไม่รู้สมมตินะเพราะนามามองเห็นคุณรุ่งแล้วกันถ้ามองเห็นเนี่ยถามว่ารู้หรือไม่รู้ไหนนะอะนาะถ้าไม่พิจารณาโดยความเป็นอริยสัจถือว่าไม่รู้ถือว่า ง, ง้อ่ะ แต่ไทยเลยแต่ไทยไทยว่าแปลว่าไม่รู้เจ้าค่ะเป็นอวิชาแต่ถ้ามีการพิจารณาว่าในสีในตัวคุณรู้เนี่ยมีรูปประกอบไปด้วยเท่าไหร่รูปารม์จริงๆแล้วเนี่ยคือรูปารมรูปารมมันนั้นมีสมุทฐานเท่าไหร่มีสมุทฐานมีปัจจัยให้เกิดคือกรรมใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนกับทุกคนเลยเ น, ยเนี่ยมาจากกรรมที่ต่างกัน และเพราะความที่ตำต่างกันนั่นแหละทำให้อายุเป็นต้นเนี่ยแตกต่างกันนี่นะมาจากกรรมสองมาจากสภาพจิตบางครั้งถ้าคุยด้วยปั๊บสมนัตเป็นต้นก็ทำให้ยิ้มแข็งเลยเนะี่ยมีจิตเป็นสมุทฐานใช่แล้วก็อาหารเป็นสมุทฐานก็ทานข้ามาหรือเปล่านั่นแหละแล้วต่อไปอีกอุตุทีจจริงคือรูปารมณ์แต่มีสมุทฐานสี่รูปารมณ์เป็นรูป ประเภทรูปอาศัยเรียกว่าอุปาทายรูปรูปารมณ์นี้อาศัยอะไรบ้างอาศัยมหาภูตรูปสีอันแสดงว่ารูปารมณ์ในนั้นมีปฐวีอาเ ป, ปเตโชวายโยในนั้นมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ด้วยนี้เป็นกา ร, รมชรูปต้องมีชีวิตอยู่ด้วยมีภาวะรูปอยู่ด้วยเพราะฉะฉนั้นถ้าหาว่ามีการวิเคราะห์พิจารณาลักษณะนี้ไม่เป็นอวิชานั่นแหละ แต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นอวิชชาเพะนั้นผู้ที่มีอวิชชาปกติก็หลับนั่นแหะปกติหลับอะ่ะอ่าคําว่าหลับในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่นอนนะลืมตาแป๋วนี่ถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่ก็หลับหนดนั่นแหละแปลว่าจมอยู่ในห่วงในโอคาอทีนี้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจตรงนี้อยากจะเน้นให้เป็นเป็นความเข้าใจเลย ถ้าเราเห็นความเข้าใจสงเคราะห์ความรู้อันนี้ลงทางตาของเราได้ทั้งหมดนะเราจะรู้เลยทันทีว่ามัชชิมาปฏิปทาคืออะไรนะเราจะรู้ลันทีเลยว่าตัวมัชชิมาปฏิปทาคือตัวปัญญามัชชิมาคือตัวปัญญาที่ไปรู้สิ่งเหล่านี้ความรู้ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่า มัชชีมาปฏิปทาเป็นสายกลางที่ไม่เอียงไม่สุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเป็นความรู้นอกผู้าศาสนาทั่วไปนะมันจะเอียงมันจะสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำคัญว่าตาเนี่ยเที่ยงอย่างนี้ก็เลยทง อ, อ, อย่างนี้เรียกว่าลาหลังไปใช่ไหมสำคัญว่าตาเนี่ยเที่ยงอย่างนี้ก็เป็นลาหลังถ้าสาคัญว่าตาเนี่ย ศูนย์ก็เลยทงไปอันนะั้เตมัชิมาปฏิปทาคือตัวปัญญาปัญญานี้เนี่ยมาวิเคราะห์ความจริงอันนี้เนี่ยปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจในความจริงอันนี้เป็นทางสายกลางนะผู้ใดเห็นว่าตาเนี่ยเที่ยงผู้นั้นก็ลาหลังเป็นสัสตติทิติ ถ้าเห็นว่าตาศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเห็นตาตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยตัวปัญญาอันนี้เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาถ้าเห็นตาแล้วโลภะเกิดอันนี้ก็ส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเห็นเรื่องตาแล้วโทสะเกิดอันนี้ก็เป็นส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าสแสวงหาความสุขจากตา ก็เป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งเรียกว่าการมัศุขัลิกานุโยกแต่ถ้าหากพ่กเราต้องทรมานตานะั่นรับตาให้มันปวดให้มันเจ็บเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอัตากิลามัฐานุโยกนะเราสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นส่วนสุดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยอะไรเป็นมัชชีมาปฏิปทาลืมตากับพิบตานะเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นลืมตาเห็นปับ๊บโลภะเกิดนี่ก็เลยทง เห็นลืมตาปุ๊บโทรสะเกิดนี้ก็เลยทงเหมือนกันก็ถือว่าเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามัชชิมาคือปัญญาที่มาพิจารณาความจริงอันนี้แต่ทีนี้ถามว่าวันวันหนึ่งทําไมปัญญาไม่ไมเกิดพิจารณาล่ะทําไมมันไม่เกิดอ่ะ น, นะสิ่งเหล่านี้ทั้งตาทั้งจักขคุทั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะถือว่าเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญญาทําไมปัญญาเราไม่ไม่ไปรอบรู้อันสิ่งเหล่านี้โดยความเป็น อารามณะปัจจัยเอาเอาวิชาเรามาจับหน่อยที่ปัญญามีอะไรเป็นปัจจัยอันนั้เราก็ต้องดูว่าหนึ่งปัญญานี่มีอะไรเป็นปัจจัยส่วนใหญ่เลยนั้นปัจจัยของปัญญาเราต้องเอาเอาอะไรมาจับเอาความรู้ในชาติของปัจจัยเก้าชาติของเรามาสงเคาะเลย อันนะปัญญามีอะไรเป็นสหา ช, าาชาติชาติหรือสหาชาติปัจใจปัญญามีเจตสิกประกอบร่วมกี่ดวงปัญญาที่พิจารณาอันนี้เนี่ยเอาแบบเต็มเต็มรวบยอดก็สามสิบเจ็ดเว้นตัวเองนะแต่มีไหมปัญญาดวงใดดวงหนึ่งเจตสิกเกิดร่วมเลยสามสิบเจ็ดมีไหมไม่มีกาเพราะว่ามีแค่ต้องดูว่าปัญญานั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าปัญญามี พิจารณาเรื่องตาเรื่องปัจจัยอย่างนี้เป็นอารมณ์นะไม่มีหนึ่งนะวีรตีเจตสิกไม่มีนะตัดวีรตีเจตสิกออกไปสามพิจารณาเรื่องตามันไม่ใช่เป็นบัญญตัติไม่ใช่เป็นสุขิบัญญตัติหรือทุกขิสาบัญญตัติแต่เป็นเรื่องของวิปัญญาอันนี้จึงเป็นไม่มีอัปปมัญญาร่วมด้วยวีรตีกับอัปปมัญญาเอาออกจึงเหลือแค่สามสิบสามสิบสามนะ ปัญญาเนี่ยเจตสิกเขามีสาประยุตรธรรมประกอบกับปัญญาเนี่ยทั้งหมดสามสิบสองเว้นตัวเองตัวเองก็นับเป็นหนึ่งเป็นสามสิบสามนั่นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอัญญสมนาสิบสามดวงก็คือสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ด 7, แล้วก็ะกินะจะเจตสิกอีกก เอาคนเจริญีิปั ส, สนาแบบโสมนัสหน่อยนะพวกซึมๆึมไม่เอา